ได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการภาวนานั้นเราก็ทราบดีอยู่แล้วเราภาวนาทุกวันฟังทุกวันดูทุกวันพอที่จะรู้พอที่จะเข้าใจได้ถ้าเราพยายามที่จะทำความเข้าใจ เราพยายามตั้งใจสังเกตเพราะทุกอย่างเรารู้ได้ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้ดจิตดีเราก็รู้ได้ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้จิตไม่ดีเราก็รู้ได้จิตไม่สงบเราก็รู้ได้เวลาจิตสงบเราก็รู้ความรู้เหล่านี้แหละ เมื่อรวบรวมความรู้เข้ากันแล้วเราก็จะได้เลือกว่าอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์อันไหนควรละอันไหนควรเจริญอันไหนให้บังเกิดความสงบความสุขจิตไม่เป็นสมาธิก็ได้เป็นสมาธิ จิตไม่เคยสงบก็สงบจิตไม่เคยมีปัญญาก็มีปัญญาความคิดปลอดโปง่งพองใสในจิต ใ, ใจมีอุบายเครื่องออกจากทุกออกจากเวรออกจากภัยดำเนินจิตใจเข้าสู่ ความสงบสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทาั้งหลายจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เพราะธรรมธาตุที่รู้ของเรายังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องสอดสอง ดูโดยความรอบคอบโดยความถูกต้องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าพาพระพุทธปฏิบัติมาไม่ใช่ว่าศักแต่ว่าธรรมศักดแต่ว่าปฏิบัติเอาแต่ความคิดของเราเอาแต่สิ่งที่เราชอบ จะถูกทรรมหรือไม่ถูกทรรมจะเป็นไปเพื่อความสงบหรือไม่สงบเราก็ไม่ตรวจวิจัยวิจารให้มันตรงถูกต้องการภาวนาอาศัยจิตมีความเห็นตรงเห็นชอบเห็นถูกต้องด้วย การปฏิบัติจึงจะถูกต้องถ้าจิตเห็นไม่ตรงการปฏิบัติก็ไม่ตรงจิตม่เห็นไม่ชอบการปฏิบัติก็ไม่ชอบการกระทำก็ไม่ชอบพราะนั้น การตั้งจิตไว้ในที่ชอบเป็นสิ่งที่สำคัญในธรรมที่ถูกต้องในการภาวนามหาสติปฐานท่านให้ตั้งสติอยู่ที่กายในกายที่ชื่อว่าสติระลึกชอบคือระลึกกายกายของเราก็มีอยู่ สติของเราก็มีอยู่ยังขาดความเพียรพยายามถ้าเรายกจิตขึ้นสู่ความเพียรความเพยายามระลึกกายในกายด้วยความเชื่อมัน่นด้วยความเพียรที่เช่าด้วยการระลึกเช่า ด้วยการตั้งไว้ในชอบคือกายเราก็จะได้รู้กายในกายกำจัดความหลงเข้าใจผิดเพราะความหลงนี่เป็นตัวสมุทยที่ทำให้เข้าใจผิดเป็นตัวที่จะพลิกทุกข์ขึ้นมาให้เราทั้งหลาย ได้รับได้เสมอสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งที่ทนได้ยากจะต้องอดจะต้องทนจะต้องดิ้นรนแก้ไขเพราะทุกตัวนี้เองที่มาจากสมุทยคือความหลงตัวโมหะที่เราไม่ได้พยายามแก้ไขให้หมดไปจากจิต ใจของเราความหลงคือหลงอะไรพระพุทธเจ้าให้ภาวนาพิจารณากายก็คือเราหลงกายนี่เองสำคัญในกายกายในกายไปอย่างอื่นไม่เห็นเป็นธรรมถ้าเราเห็นเป็นธรรมแล้วกายของเรานี่ โครนาณปการกาสอาจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนี่ทำท่านว่าอย่างนี้เราไปหลงเข้าใจว่าเป็นไปเป็นของสะอาดน่านิยมชมชอบน่ายึดถือ เข้าใจหลงเข้าใจว่าจะได้ความสุขนั่นแต่ตามทำทำท่านว่าไม่สะอาดเพราะฉะนั้นความเห็นของเรากับความเห็นในทางธรรมนั่นใครจะเป็นความจริงกว่ากันที่พระองคอ์ทำกับเราเห็นว่าเป็นของสะอาดเราพิจารณาดูทิเราควรเชื่อ ตัวเองนึกควรเชื่อทำดูให้มันชัดอัติมัตซมิงกายนั่นสิ่งที่ไม่สะอาดเหล่านั้นมีอยู่ในกายนี้่กายของเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อื่นเมื่อเราเห็นกายของเราเต็มไปด้วยของไม่สะอาดกายคนอื่นมันก็มีประเภทเหมือนกันมีสภาวะเหมือนกัน เกิดมาจากที่แห่งเดียวกันอยู่ได้ด้วยวัตถุอันเดียวกันที่มาธนุบำรุงต่างๆถ้าเราพิจารณาให้ชัดแล้วมันเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมเห็นธรรมพระองค์ก็ได้รสรูธรรมอันเป็นความจริงที่มีอยู่อยู่ทุกๆคน ไม่ใช่ว่าไม่มีเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งปกปิดแต่เราลบบพยายามปกปิดไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอยากได้สลัดนี้ไปรูปไปเห็นสิ่งอื่นตามความหลงเข้าใจผิดของเราเองถ้าเราพิจารณาตลอดเวลาต้องรู้ได้ต้องเห็นได้ต้องสงบได้ การรู้กายในกายตามความเป็นจริงที่ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดตามธรรมที่ท่านชี้อบอกไว้จิตใจของเราก็ย่อมสงบย่อมผ่องใสแต่เห็นร่างกายนี่ไม่สะอาดแทนที่จิตใจจะสกปรกไปด้วยตรงกันข้าจิตใจะสะอาด ไม่มัวหมองถ้าเห็นร่างกายเป็นของสะอาดจิตใจก็มัวหมองเต็มไปด้วยกิเลสความยินดีความปรารถนาความลหลงไหลสร้างกรรมอันเป็นอกุศลได้เพราะฉะนั้นเราควรพิจารณาตามธรรม เราดูทุกส่วนมันสะอาดตรงไหนตั้งแต่เกสาผมก็ล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดโลมาขนก็ล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดพิจารณาให้ละเอียดกว่านั้นเอง ก, ก็ได้เพื่อต้องการปัญญาละเอียดทยชัดยิ่งขึ้นกว่านั้นอีกจนถึงผมมันหลุดร่วงออกไป มีประโยชน์อะไรมีต่ตัดทิ้งตัดทิ้งมีต่รังเกียจไม่มีของของสิ่งไหนที่จะเอาไว้สักอย่างไม่มีสิ่งไหนที่จะเจริญหั้เจริญใจยิ่งเนื้อ ย, ยิ่งหนังตลอดถึงกระดูกทุกส่วนแล้วถ้ามันกคยจัดกระจายออกจากกันแล้วกลัวเคยอยู่ด้วยกัน นับถือกันรักใคร่กันพอหมดลมอัดสาสะปัดสาสะแล้วร่างกายก็เปลี่ยนแปลงเอืดกลิ่นก็เหม็นทุกส่วนก็สกรปรกทางนั้นถูกหลอกล่วงพีหลอกไม่เป็นพี่ไม่เป็นน้องแม่อันนี้เป็นความจริงไม่ใช่ลงทอด เราสามารถเพ่งพินิจพิจานานอกจากเป็นของไม่สะอาดแล้วยังเต็มไปด้วยโรคภัยต่างๆตรงไหนไม่มีโรคเกิดได้ทุกส่วนของร่างกายนอกจากโรคแล้วอยู่ไปนานก็คร่ำคล่ายเอง ชราอมีแต่ทุกข์นเราก็จะได้เห็นทุกข์เห็นโทษตามความเป็นธรร ม, มเราจะได้เชื่อในธรรมคำสอนพระพุท ธ, ธเจ้าว่าพระองค์ทรงกล่าวไว้ดีแล้วไม่มีผิดพลาดแต่เราหักหลงเราหักไม่รู้เราหักใฝ่ฝันเข้าใจผิด เพราะฉะนั้นให้ดูให้มันชัดเพราะมันมีอยู่เราอยากดูแต่ด้วยตาถ้าเราดูด้วยตาแหละสิ่งที่เขาประดับประดาตกแต่งภายนอกก็เลยหลงถูกหลอกเขาเอาสิ่งอื่นมาทาให้หอมว่าสาคัญนะหอมมันถูกหลอกเข้เามาย่อมนี่ก็หลงไปตามอาการที่เขาตกแต่งหลอก หารู้ไม่กว่าสิ่งเหล่านี้มาจากที่เอื่อนไม่ใช่มันเกิดธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันแล้วเกิดมาจากที่สกปรกเป็นอยู่ด้วยสกปรกอาหารการกินก็ไม่ใช่ของสะอาดเป็นเนื้อสัตว์อบายที่สกปรกทั้งนั้น แต่เราไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้นี่เลยจนเคยชินแล้วก็ น, นึกว่าไม่รังเกียจแต่ถ้าพิจารณาโดยความจริงนะรู้ว่ได้มาจากสกปรกแม้แต่ผักก็ต้องใส่ปุ๋ยของสกปรกขึ้นมาอีกงอกงามโดยของสกปรก เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนจึงกล้าพูดเต็มปากว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดพิจารณาดูเห็นชัดใจเท่านั้นมันจะรู้ได้ส่วนตามันรู้ไม่ได้ต้องอาศัยการส่องไปในด้วยจิตใจ แม้แต่อยู่ภายในก็ปกปิดไม่ได้จิตใจมันแทรกตลอดได้มันไปเห็นได้อดีตอนาคตมันก็รู้ได้จากความเป็นจริงด้วยเหตุด้วยผลมันรู้ได้เห็นได้และเชื่อได้เป็นความจริงได้ที่พระพุทธเจา้าสอนเหมือนกับท่านสอนให้พิจารณาในอภินิหาปัจจุเวคคณะ เรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาในแต่เราซองดูด้วยใจแล้วเห็นได้ดูด้วยตาเราไม่รู้เรายังไม่แก่นั่นเรายังหนุ่มนะเรายังไม่เจ็บเรายังไม่ตายไม่หลงถ้าดูด้วยปัญญาแล้วอมันต้องแก่มันต้องเจ็บได้ตลอดเวลา มันต้องตายเนี่ยแน่นอนมันเห็นได้รู้ได้ยังเห็นความตายที่ปกปิดที่ไม่ปรากฏ ด, ด้วยตาที่เราไม่เข้าใจวัดตายถ้าพูดถึงความจริงแล้วเราตายทั้งแต่วัดเกิดพอเกิดมาปรากฏตั้งขึ้นมาแล้วก็ตายไปเรื่อย มันหมดไปหมดไปไม่ได้กลับคืนมานั่นเรียกว่ามันตายไปสิ้นไปเรียกว่าไคยะไยะธรรมมาคือเสื่อมไปและสิ้นไปหมดไปนี่ก็เป็นความตายประเภทหนึ่งออที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเราเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกนั่นพวกเราใครบ้างเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออก เห็นแต่เราเป็นเห็นแต่เราดีเห็นแต่เรามีชีวิตอยู่ตลอดเพราะสิ่งที่มันหมดไปหมดไปนั่นเองฉันเรียกว่าตายเพราะไม่กลับสู่ของเก่าอีกได้ถ้าเราพิจารณาผมของเราก็ตายมาตั้งแต่เด็กๆตัดทิ้มาเรื่อยมา และก็ตัดทิ้งเรื่อยมาร่างกายก็หมดไปหมดไปตั้งเตีมจึงต้องบำรุงเพิ่มทุกวันทุกวันถ้าหากไม่หมดไปไม่เสื่อมไปไม่หมดไปที่เราบำรุงไปมันจะกองใหญ่โตโงขนาดไหนอถ้ามันสะสมไว้ไม่เสื่อมไม่หมดไปไป ที่มันหมดไปเราจึงเสริมขึ้นอีกเพื่อให้มันอยู่ได้ถ้าเราไม่กินลงไปมันหมดเหนียวแห้งไปจริงๆริยิ่งอดไปนานก็ยิ่งเลอะติดหนังติดกระดูกหมดด้านไปด้านเอกระมันก็จะพุพังจริงๆเนี่ยเพราะมันไม่แต่หมดไม่มมันไม่มีเกิดมไม่มีทางบำรุง ท่านว่าชีวิตนี่เปรียบเหมือนแสงไฟแสงไฟถ้าเหมือนกับไฟเทียนเนี่ยถ้าไม่มีเชื่อมันหมดไปตั้งแต่เราจุดทีแรกที่เห็นสว่างต่อนเนื่องกันก็เพราะมันเกิดขึ้นสมดุลกันเสมอกับสิ่งที่หมดไปมันจึงเรานึกว่าไฟไม่ดับแท้จริงมันดับแต่ที่จุดทีแรก เมื่อหมดเชื่อแล้วมันไม่มีเชื่อลุกขึ้นมาอีกมันก็หมดไปจริงๆินี่มันมีเชื่อที่มันลุกขึ้นมาเสมอหแต่เราไม่เห็นว่ามันดับชีวิตของเราก็เหมือนกันหมดทุกลมหายใจเข้าออกหมดไปหมดไปจริงๆินี่พระพุทธเจ้าพระองค์จึงสลดสังเวชเบื่อหน่ายเห็นไม่จรังยั่งยืนของอัตภาพ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดสกปรปกน่าเบื่อหน่ายเหลืออดเหลือทนพิจารนาให้เห็นชักตามความเป็นจริงจิตต้องสงบต้องสะอาดต้องท่องใสถ้าพิจารณาไม่ถึงแล้วมันหลงแล้วมันเพลิน เลื่อนลอยไปต่างๆด้วยอำนาจแห่งความหลงคือสติของเราที่เราฝึกยังไม่เป็นมหาสติยังไม่มีฐานตั้งมั่นพอที่จะนัละลึกให้ชัดพอเพราะฉะนั้นต้องเพียรพยายาสมาธิของเราก็ยังไม่มั่นพอ เมื่อสมาธิไม่มั่นปัญญาสอดส่องก็ไม่แจ้งชัดไม่แทงตลอดเมื่อทึกไม่ผ่องใสโดยเกิดความสงสยัยไม่แน่ใจในทางธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าขอเราทาั้งหลายเพียรพยายามตั้งใจ พิจารณาให้เแท้จริงความจริงมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่กระจ่างแจ้งในจิตใจของเราต้องเพ่งแล้วเพ่งอีกพเจารณาแล้วพิจารณาอีกเรียกว่าภาวิตโตเบาลีกโตทําให้มากเจริญได้ยิงเจริญไปทําไปทําไปมันต้องรู้หนละ มันต้องเห็นมันต้องชำนาญต้องฉลาดถ้าเราไม่ลดละต้องสลดสังเวชต้องเบื่อหน่ายต้องได้ความสงบได้ความสุขเห็นอานิสงส์ของการนับถือพระพุทธศาสนามีศรัทธาเชื่อมั่นเพิ่มกำลังจิตใจอย่างมั่นคง จะนั่นให้พยายามตั้งใจภาวนาสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกันเพิ่มเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มจนกว่าจะสมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าบำเพ็ญบำเพ็ญคือการกระทำให้มันเต็มนั่นเองเหมือนพระจัร์วันเพน็ญ มันเต็มดวงสว่างสวัยเหมือนแก้วมัในโชควันเพ็มคือวันเต็มดวงการบำเพ็ญคือการกระทำให้มันเต็มอย่าให้มันบกพร่องอย่าให้มันขาดขาดเขินเราจะไปอยู่ภพใดชาติไหนแต่เรายังไม่พ้นทุกเขาก็ได้เป็นผู้สิ่งสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดเขิน สมมูลด้วยสติสมมูลด้วยปัญญาสมมูลด้วยศรัทธาความเพียรพยายามให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือความสำเร็จเสร็จสิ้นไม่ต้องขังข้างไม่ต้องซ้ำซากเมื่อเสร็จแล้วก็เสร็จสิ้นไปเลยเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลาย ท่านพยายามบำเพ็ญจดสำเด็จเสร็จสิ้นท่านก็ไม่กลับมาเวียนว่ายอยู่ในวัตตะสงสารนี่เองเรายังไม่เต็มจึงต้องบำเพ็ญในเพิ่มพูนอยู่เสมอพ <c oughs> ระพุทธเจ้าทรงตรัสหลายาประมาท ว่าบุญเป็นเครื่องเล็กน้อยอบางคนมีแต่ดอกไม้เก็บดอกไม้ในป่าก็ยังไปแลกเอาทิพย์สมบัติได้อดอกบวกขอมเก็บไปบูชาพระเจดีย์บูชาพระรัตนตรัยด้วยความเรื่มใสก็ยังได้ไปเส้เอทิพย์สมบัติเนี่ย ถ้าคนจิตเป็นกุศลแล้วทุกอย่างก็กลายเป็นเครื่องประดับเครื่องตกแต่งเครื่อง